เราฟังปกติฮะแค่กรดูกกายเดียนะมันต้องมันไม่ใช่จริงควพอมกติจริงมันมันก็ไม่ได้แยกกายแยกจิตหรอกมันก็รู้รู้ไปทั้งหมดนั่นแหละะเวลาเราทำงานที่ต้องใช้กายมันก็รู้กายเวลาอารมณ์ความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็เห็นอารมณ์เหความคิดคือมันก็มันก็รู้สลับไปกลับมาเองนะมัน จริงตาสัตวิบันจริงค น, นก็ไม่ได้แยกสายไม่ใช่แยกรูปแบบนะหลวงพก็เทียนเป็นแบบนี้ดูลมหายใจเป็นแบบนี้ดูจิตแบบนี้ดือนะีที่จริงมันเป็ี่ยนแค่เหมือนเปลนตัวตั้งต้นที่มีหลักให้ดูสักอย่างหนึ่งในในรูปแบบที่เราทํานะแต่พอทำจริงจริงแล้วอ่าสิ่งที่มันเด่นชัดในตอนนั้นเราก็รูนไป แต่พอเป็นจริงแล้วเนีนนอันนี้คือเวลาเราทในีิตประจำวันเนาะมันจินันก็จะนะแล้วดูไปทีเราแล้แทีเราแล้แรู้สึกในกิรกรรมกิรธรรมกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้าง <นะ S 1> ทำบ้างนียมันก็ฉลาดเกินไปนะมาให้ดูไว้แต่ละนะแบบ น, นี้ก็จะขึออ้นในโมงสสดท้ายสด็ไทยจะถามนะเสด็ทยจะ แลเปลี่ยนก็ก็ขอขเชิญมมีใครอยากจะได้เปลี่ยนสิ่งที่ได้ปฏิบัติในวันนี้นะในฟังในวันนี้ให้เพื่อนๆฟังให้อัตมาฟังด้วยกนะ็เชนะ ว่าเข้าใจอะไรหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะกับเราบ้างวันนี้มีไหมคือส่งคอนมีไหมไม่มีความรู้ส็จที่ที่เราเพิ่งได้สอมผัสหรือเปล่าเรลาปฏิบัติคือเหมือนกับหลักการการเรียนจบกฏ เหตุการณ์ในชมกล์เนี่ยเวลาเดินเนี่ยรู้อยู่ที่เท้าเคลื่อนไหวา็เช่นเหตุการณ์ทางกายหรือที่ขยับให้ตามดูตามรู้ให้ถ้ใช่ไหมคระก็ก็ไม่ใช่แต่แต่ก็ไม่ไม่เชิงว่าดูเฉพาะส่วนนะไม่ไม่ไม่เชิงดูเฉพาะเฉพาะเท้าหรือดูเฉพาะมือหรือดูลมหายใจเองก็อย่ารู้สึกแต่ลมหายใจที่จริงเรา เรารู้ต <defender parachute alyst> ัวโดยรวมแต่ม <os> hmm. ันมีสิ่งที่เด่นเช่นตอนสัมผัสกสัเท้าสัมผัสตอนมืมันยกอันนี้คือเป็นสิ่งที่เด่นแต่รู้ตัวคาว่าคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยมาเรู้สึกว่ามันมันเป็นสองส่วนที่ประกอบกันสภาวะการเห็นหรือว่าการดูเหมือนโยนตัวจะมาะยนเห็นจะมาเห็นรูปร่างหน้าตาเห็นทั้งหมดแต่ถามว่า เนี่ยเป็นมาเคลื่อนไหวนะโยมโยมเห็นการเคลื่อนไหวแต่โยมไม่รู้สึกกับการเคลื่อนไหวแต่ตานะใช่ครับต้องปฏิบัติเองอ่าแต่แต่พอเราแต่เรารู้สึกตัวด้วยตัวเองมันจะเหมือนมีจิตที่ดูที่เห็นด้วยแต่ก็รู้สึกไปด้วยใช่ไหม <c oughs> มันเป็นส่วนผสมกันระหว่างการการดูและเห็นแล้วก็การรู้สึกในสิ่งที่เรากำลังทําไม่เหมือนดูคนอื่นนะบางคนถ้า ถ้าบ ท, ทีเราส่งจิตออกนอกบ้างมันเปนเหมือนเราจะคอยดูแต่มันดูแบบนอกๆว่ามันจะมันจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สึกเต็มไปชัดนะแต่ถ้าเราส่งเข้าในมากเกินไปมันจะรู้สึกชัดแต่ตัวเห็นตัวดูมันจะไม่ชัดการรู้สึกตัวจริงๆมันจะเป็นเหมือนตรงกลางเป็นความสมความพอดีระหว่างการดูกับความรู้สึกที่มันจะพอดี เราก็สังเกตเรียน้อ๋อันนี้มันมากไปมันก็จะรู้สึกชัดไปแต่มันดูไม่รวมแต่ถ้าดูออกนอกไปมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกแรกๆก็ยังปราบไม่ทันนะครับอืแต่พอปรับตัวได้เนี่ยตามบันแล้วนี่เวลาเจ็บส่งอกแพทย์เป็นกลับเข้ามาก็ก็รู้สึกจะจะเริ่มเฉดนะครับต้องขอเวลาพวกวันนี้มันมันขั้นแรกที่ที่ขึ้นไหวครับปกติแล้วจะจะปฏิบัติที่บ้านจะเน้นเดินจงกรนั่งสบายทิ ได้ได้ก็ฝันใส่แค่นี้ก็ได้เวลามีเคลื่อนไหวอะไรเนาะแล้วก็รู้สึกไปด้วยรู้สึกไปหยิบจับอะไรก็แล็เล็กน้อยน้อยแล้วก็รู้สึกไปเช่นมีไป จปนหลาใจมนะันออกมาเป็นรถนั่นเห็นเธอเป็นวัตถุเดียวนะก่อนนั้นมันยิ่งมาย้อนกลับตัวเองเมันว่าเป็นุ่ก ง, งามเลยแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็มรู้สึกตัวมันเหมือนมบบไ ม, ไม่ไม่ชัด เห็นคนอื่นก็ดีเห็นตัวเราก็ดีที่จริงเห็นเป็นตัวตนนะเห็นเป็นเราเห็นเป็นเขาอันนี้คือเห็นเป็นตรงรูปนะแต่จริงทุกคนเสนอภาคกันด้วยรูปหรือวัตถุนั่นแหละแล้วก็นามหรือว่าจิตใจเ้าดูกันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ทราบว่า เ, เป็นรูปนามหรือเปล่าใช่ไหมแค่รูปก็คือวัตถุใช่ไหม ก็ให้รู้สึกเี็นั่นแะรู้สึกไปก่อนเอย่าขึ้นไปพยาเป็นพิษปิดที่ยงตรงนั้นนี้คือเรียกว่าอาการอะไรแต่รู้อย่างที่มันเป็นดูเห็นคนที่หรือรู้สึกอันอื่นมันเป็นเห็นแค่รูปเป็นแค่วัตถุก็รู้ไปอย่างนั้นแต่เรามีใจมิสติที่ดูอยู่เนาะนะก็ค่อยๆดูค่อยๆแยกต่อไปมันเห็นบ่อยๆมันก็ยิ็งค่อยแยกแคดขึ้น มันมันแยกแค่ขึ้นมันก็จะไม่สงสัยว่าอันนี้คืออะไรแต่ยวให้อธิบายแล้วก็บอกเลยมันถ้าเรายัางไม่ไม่เข้าใจยังไม่ถึงก็ไม่็นจะการการงสัจจาผลเด่นมีคนเก่าๆคนใหม่ๆนี่ ดีมาก็ไม่รู้นะพ <c oughs> ูดไปเข้าใจจะขนาดไหนปฏิวัติองเป็นแบบไหนนะ มีใจเราอยู่ที่ไหนอยู่กับเราหมหรือหือคนไปบ้านนะหรือมีใครสนใจเมื่อไหร่จะมีคนพูดเมื่อไหร่จะมีคนถามเราอยู่กับตัวเราเนาะ มันมันคือกันแต่มันคนละรูปแบบอ่ามันอยู่ที่เราทําแบบไหนมากกว่าเช่นที่จริงอย่างเราเอามือกว่าทังมือตายเราพูดโทเราพูดโทเฉพาะตอนที่เรานั่งเราออกจากการนั่งเราอย่างพูดโทอยู่ไหมหรือเราดูลมหายใจเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิตอนที่เราทํอย่างจริงเราย่งดูลมหายใจอยู่ไหม ที่จริงปฏิบัติธรรมท่านให้พยายามทําให้มันบ่อยที่สุดเท่าที่ทําได้ทานตัรทำในรูปแบบหรือท่านนอกรูปแบบบางคนดูลมหายใจก็อาจจะดูลมหายใจไปเรื่อยๆหรือบาองคนก็กําหนดพุดโธ่ไปเรื่อ ย, อ, นน อ, อ, อ, ยอันนี้คือการถ้าจะทำสมาธิจริงๆก็ทําแบบนี้นะแต่แต่ต้องแยกว่าบางทีเวลาบริกรรมหรือเวลาทําอะไรที่มันละเอียดมันจะมีการพักเข้าไปอยู่ใน สมาธิเรี่กว่าความสงบในในง่ายถ้าเราเปติดในความสงบมันจะไม่มีสติแล้วก็จะอยู่แค่ความสงบมันจะไม่เกิดปัญญาแต่ตัวการเจอสติอันนี้ทําสิติีท่าในรูปแบบแต่เราอาศัยการตามรู้การเคลื่อนไหวนอกรูปแบบไปด้วยในชีวิตประจำวันมันจะเหมือนเราต้องอ่า พยายามมีสติเมื่อไหร่ก็คอยดูดูตันเคลื่อนไหวของกายแล้วก็ที่จริงก็ไม่ได้แต่เฉพาะกายหรอกเราจะอาจจะรู้สึกความรู้สึกในใจสลับกันไปเลยก็ได้เราจะเด่นที่ตัวตัวสติตัวรู้ตัวแต่ตัวสมาธิมันจะไม่ใช่สมาธิแบบสงบแต่มันจะเป็นสมาธิแบบใจมันตั้งมั่นต้องบางทีต้องแยกให้ชัดเจนบามงทีสมาธิก่อนที่ก่อนที่จะ มีพุทธศตสนาจะเห็นเป็นสมาธิแบบทำให้สงบทํำให้เกิดความสุขความสบายแต่ตัวการกริสติมันก็มีสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ว่าจิตตั้งมั่นทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคือเราก็มีทั้งสติทั้งสมาธินะถ้าทำแบบนี้ถ้าทําแบบนี้อ่าจะไปทําแบบเดิม ก็ทําเพื่อพักผ่อนชัวน่วขณะก็ได้เช่นใจมันเหนื่อยมันล้าร่างกายมันเหนื่อยทําสมาธิให้ให้ได้พักนิดนึงแต่พอออกมาแล้วก็ก็ฝึกจะติดต่อก็ได้แต่ส่วใหญ่นะทําแบบนี้ไปเองพอมันถึงจุด น, นึงบางทีมันก็เป็นสมาติของมันไปนในตัวบางทีมันก็ไม่ได้มันก็สงบอยู่ในนั้นแต่สงบแบบรู้ตัวนะก็เกี่ยงพอนะมาว่า ทำแค่นี้ก็เพียงพอต้องแจกแล้จิตมันด้นมันก็มาต้องพักของมันเอง ไปดูเอาเองนะเราไปสังเกตดูบ่อยๆสังเกตดูกายสังเกตดูใจถ้าเป็นจริงเนาะอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปลองเดี๋ยวพึ้นไปห้ามเดี๋ยวพึ้นไปจัดการเดี๋ยวพึ้นไปวิเคราะห์วิจารณ์อะไรมาลองลองดูมันจะช่วยน่ะมันจะแสดงอะไรให้เห็นก็ดูมันไปก่อนนะ ทาเรื่องของกายที่อของใจนะ่ะพยายามมีอะไรก็กลับมาดูตัวเองก่อนนะนน <c oughs> แทนทีนจน่จะไปดูคนอื่นเรามเกี่ยวข้องกับตู้ไปบางทีมันจะสะใจติดมันมักจะไปดูคนอื่นนดูคนอื่นเขาทาดูคนอื่นเขาพูดคือบางทีพอเราคิดอะไรขึ้นมามนก็จะอ่าส่งออกไปอ่าคําตอบข้นอกตัวแต่จริงกันมีสติเหมือนคลไายเมือนเราไปยตอบกระจกดูตัว เ, เอง <c oughs> ดูตัวเองไว้ๆทางร่างกายก็ดีหรือว่าจิตใจก็ดีนะดูแบบนี้นไปเรืนะ่อยๆเนาะคอนแทนตยานดูแล้กันถ้าเกิดมี <Okay. S 2> อาการอะไเกิดขึ้นมาอยู่ละทิ้งให้หมดเลยอาการไม่ไม่พยายามไม่ต้องพยายามปฏิเสธไม่ต้องพยายามละนะดูมันแต่กิ่นแล้วว่าอย่าไปอย่าไปคุกกับมันอย่าไปจนกับอาการ เหตุการปวดเมื่อยก็ดูมันปวดเมื่อยใช่ครับการที่ว่ามันมีอะไรพุ่ขึ้นมาเนี่ยก็ยรูปมำความรู้สึกตัวให้ทาความรู้สึกตัวเปิดแค่นัเองนะ้าไม่ว่าจะมีคำพู่อะไรขึ้นมาก็ล่าแปงทความรู้สึกตัวให้ชัดแต่แต่ยังไปห้ามมันเนาะยังไปิเสธมัน เราเห็นมันเหมือนที่จริงมันเห็นเหมือนที่ไทยเหมือนรถหน้าที่มันวิ่งคนรถเรทกันเราเราก็หน้าที่เราต้องเหมือนแค่ตั้งตัวรู้เหมือนเราประกอบรถของเราไอความคิดอารมณ์ต่างๆก็เหมือนรถคันอื่นที่มันอาจจะแซงเราอาจจะสวนเรามันก็แค่มาจับมาไปท้ายอันก็แค่ผ่านกันชั่วขาะ เรียนพระอาจารย์นะคะว่าการฝึกปราณกับการฝึกสมาธินี่มันเหมือนในฝันกันไหมคะฝึกจิตเฝึกสมาธินะปราณค่ะฝึกปราณนะปราณแบบโยคะเหรอไม่แน่ใจค่ะแบบฝึกเหมือนแบบมีพลังให้มารักษาตัวเองได้อะอย่างเงี้ยค่ะกับสมาธิ ปลูกปานะนะมันไม่แน่ใจว่าการปลูกปรานนี่มันเป็นทางศาสนาพุทธหรือเปล่าคะอืมแต่มาว่าคือแต่ถ้าสมพุทธศาสนาเราจะเน้นเรื่องการปลกจิตเน้นในการปลกจิตนะแต่แต่เรื่องถ้าจะฝึกให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นหรือว่าเพื่อรักษาโรคมาว่ามันน่าจะเป็นตัวเสริม อ ย, อย่างอย่างที time, ่จริงอย่างอย่างวัดเต้าดินเป็นนั้นที่เรารู้จักที่ว่าต้องฝึกกาลังภายในที่จริงมาว่าเรื่มได่จริงมันมันเป็นก็ที่จริงท่านท่านตักมอสท่านเป็นอาจารย์เต็นนะเมื่าที่เราเห็นเต็นสั้นๆนะแบบเป็นที่จริงมองมองทุกอย่างเป็นเลี่ยงแค่ปรากฏการณ์เป็นความว่างเปล่าไม่ให้ภาพสิ่งต่างๆที่จริงมันเป็นเรื่องของจิตที่ ที่มันค้นต่ อ, อไปแต่บางทีก็อาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวอาศัยรูปแบบอะรต่างๆให้ให้เกิดการรู้ตัวตื่นตัวขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งถ้ามันเมื่อตัวมันไหลเวียนดีหรือว่าจิตมันดีร่างกายมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นบางทีมวาว่าบางทีตอนหนังมันเลยายเป็นที่จริงคนใหญ่รูปแบบต่างๆมันเน้นเพื่อการ จิตให้มีสติปัญญาขึ้นไปเพื่อปล่อยวางแต่ตอนหนังมันกลายเป็นเน้นเนื่องกันฝึกกายฝึกกายให้แข็งแรงฝึกกายให้พิเศษอะไต่างมันก็คือฝึกกายเพื่อเพื่อรักษาโรคที่จริงพุทธศาสนาก็ไม่ประดิเสธหรอกแต่ไม่ได้เน้นจุดนั้นแต่ถามว่าเป็นพุทธหรือเปล่าถ้ารูปแบบนั้นมันก็ ไม่ได้เอียงไปแต่ด้านตายอย่างเดียวจะมีเรื่องของใจด้วยมันก็ยังอยู่ในเสือข่ายของผู้แหละแต่เห็นว่าแต่คนบางคนก็ไปเน้นแต่กายเป็นทิ้งใจมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ที่จริงทําสมาธิใหลายส่วนก็ถ้าคนที่มีสมาธิดีมาวัดเรื่องลมมันก็ดีนะอวัยวะต่างๆมันก็ มีฝ่าดีขึ้นแต่ถามว่าจะดีจนมันไม่เป็นโรคเป็นไยัยไม่เป็นอะไรเลยมันก็หมายว่ามันก็ไม่ใช่แต่เรื่องของการบริหารร่างกายด้วยเองตา่างทีบางคนก็เป็นโรคไข้เพราะพันธุกรรมเป็นโรคไข้เพราะอาหารการกินเลยนะเป็นโรคไข้เพราะสิ่งแวดล้อมอากาศอะไรไม่รู้มั น, ม, นมันมีหลายเหตุปัจจัยแต่สิ่งที่เราทําได้วอาจจะแ เป็นการออกกาลังกายการโ oh ยคะการไทเกต์มันก็อาจจะช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้น <Yeah. S 1> ใช่ไหมหรือการรักษาโรคฝังเข็มการนวดมันก็ทําให้เปิดลมปาณเราให้มันไหลเวียนขึ้นซึ่งมันก็ถือว่าดีแต่แต่มาว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมหรือถ้ามาว่าที่จริงไม่แต่พวกไทเกต์พวกโยคะหลักๆ จ, จริงๆตั้งแต่เริ่มแรกแหละมาว่า มเป็นเน้นเรื่องการยกจิตวิญญาณให้มันีเข้าถึงความจริงให้มัสูงขึ้นไปแต่ตอนหลังคนก็เป็นเน้นว่าทํากายให้มันแบบพิสดาหรือทําให้มันมีความพิเศษกว่าคนจีนแสดงว่ามันมันก็เหมือนตอ น, น, นหลนังก็ได้ไค่อยๆเขียนไปถ้าเราจับจับได้ดจริงเราเอาพวกนั้นมาใช้เพื่อการฝึกจิตนะไม่ได้ปัดไม่ได้เน้นเพื่อการฝึกตายมันก็บบได้ประโยชน์มาก จริงถ้าเราเข้าใจหลักพุทธศาสนาทุกอย่างเป็นการฝุดจิตใจที่นั้นนะอย่างเช่นอ่ามันมีอย่า ง, างพติดอาสาใช่ไหมนะตาาิดอาสาความเป็นประโยชน์เป็นภาสาสมัครเหมือนนีน้ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าทำเพราะว่าเป็นแบบคล้ายๆเป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นกระแตต่ำพงมือนะทำเพราะอะไรแต่ที่จริงเราทำเพราะ ฝึกจิตใจให้เรารู้จักเกสียสละรับความเป็นแก่ตัวอะไรแบบนะี้การทําทานก็เหมือนกันมาคนทําทานเพื่อหวังในบุญทําทานเพื่ออยากว่าชาตินหน้าจะได้ไปสู่สวรรค์อะไรนะแต่จริงทานในจริงคือการสละความคอบโลกสละสิ่งที่เรายึดติดสิ่งที่เราห่วงแหน่นะนี่คือทานในจรงคือทานคือความสลนะถ้าเราเริ่มต้นมีการสละวัตถุ มันก็กต่อไปถ้าเป็นพลอยสละอารมณ์พอไปแตกติใจสละความชอบสละความชังออกไปเนะี่ยคือมันจะไม่เป็นทานที่มันออกไปจริงสิ่งก็เหมือนกันสิ่งก็ไม่ใช่ว่ารักษาไปเพราะกลัวจะตกนรกหรือรักษาไปเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนะที่จริงสิ่เรารักษาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สมควรทํานะเช่นยุง ม, มันกะนะัดเนี่ย เราไม่จบยุงไม่ใช่ว่าเราขวบผิดตินะแต่เรามองยุงด้วยความเมตตาเขาก็เป็นตับเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมันก็สาไม่ควรที่จะฆ้าเขาคือ ม, มันเป็นเมตตาที่เราไม่อยากทำร้ายเขามันมันเป็นการรักษาสิ่งที่ที่ใจเราไม่ใช่ว่าต้อดทนนะใช่ไหมการโกหกก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเรา เราไม่โกหกเพราะว่าเรากลัวผิดศีลหรือเราไม่โกหกเพกลัวคนอื่นเขาจะจับผิดแต่เรารู้สึกว่าการไม่โกหกมันทำให้เราสบายใจทําให้เราสุขใจทําให้เราไม่กังวลใจมันเป็นแบบเนี้ยมันมันเรือ่องพวกนี้มันเหมือนการทําทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีหรือการเข้าหนานเองก็ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ตัดเจตคตเพื่อปวดใครหรืออะไรแต่เราทํำแล้วรู้สึกว่าทําแล้วเรา มีความสบายใจมีความสุขใจแล้วก็มีความรู้ตัวขึ้นมาได้ได้ไดระดับความเห็นแก่ตัวได้เห็นความจริงมันเป็นความสุขแบบนั้นนี่จีิงถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาเราจะเข้าใจรูปแบบต่างๆที่มันมาแล้วบางทีมันสองพันกว่าปีเนาะมันก็คงรูปแบบแต่เนื้อหามันถูกบิดเบือนไปกลายเป็นพุทธพาณิชกลายเป็น แค่พฤีิกรรมต่างๆแต่ถ้าเราเข้าใจอ้อจริงหลักของแต่ละอันอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ใช่การพยายาม่านให้เข้าใจนะแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เราจะเราจะเข้าใจโดยเดืดใจของเราความสงสัยต่างๆก็จะค่อยหมดไปคำตอบในใจของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีก